ใด้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข ทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและติศรัทธาเงือที่ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข ครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสานะครับกลับมาพบกับผมครับนัทพลดีอุดครับกับเรื่องราวนะฮะในรายการสุขอาสนะครับเรื่องราวต่างๆนะฮะเกี่ยวกับงานอาสาคนอาสารวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับงานอาสาที่เราจะนํามาฝากคุณผู้ฟังในรายการสุขอาสาทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 เม z นะครับโดยอยู่กับผมนัธพลดีอุดนะครับซึ่งวันนี้ครับผู้ฟังในช่วงแรกของรายการคิดอาสานะครับผมมีเรื่องราวของการรวมพลังน้ำใจเยาวชนสิงหาสากว่า20สถาบันเครือข่ายนะครับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับจากอิทธิพลของพายุ โพดุลและคาจิกิที่ผ่านมานะครับก็ทําให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครคุณผู้ฟังได้รับผลกระทบจนเกิดเป็นอุทกภัยนะครับด้วยสิงอาสาบริษัทบุญรอดเบอรี่จํากัดและมูลิี่พระยาพิรมภักดีนะครับพร้อมกับเครือข่ายสิงอาสานะครับจาก20สถาบันในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างจึงระดมกําลังร่วมกันลงพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยได้ลงไปยังพื้นที่หมู่ที่2ตําบลบ้านรัศายมูลตําบลปากพระอําเภอเมืองสุโขทยัย จังหวัดสุขโขทัยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเห็นว่าเป็นพี่น้องชาวสุขโขทัยถึงห้าอำเภอที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากน้ําอาจากพื้นที่ที่น้ําป่าไหลเข้าท่วมอย่างหนักนะครับโดยได้นําสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ยังชีพจํานวนมากอาทิข้าวสารน้ําดื่มและสิ่งของที่จําเป็นอื่นๆแจกใจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยกว่า230ครัวเรือนนะครับด้วยหลังจากนี้จะลงพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะครับสำหรับ 20สถาบันเครือข่ายสิงอาสาที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยลราชภัฒน์พี่บูรสงครามจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยลลนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยลราชพัฏน์ลำปางนะฮะมหาวิทยาลัยล ร, ชราชภัฒอุตรดิตมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์นะครับและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาวิทยาเขตตาก น, นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฒน์บุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัด นนทบุรีมหาวิทยาลัยราชาพัฏนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเมืองดลมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมมหาวิทยาลัยสวนดูสิตนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรดนะครับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับดยหลังจากนี้ครับเครือข่ายนักศึกษาภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างจะทําการเฝ้าระวังภัยพิบัติน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับโดยจะเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดซึ่งจะรวมถึงการฟื้นผูสภาพบ้านเรือนให้คืนสู่ภาวะปกติด้วยนะครับทางนี้เครือข่ายนักศึกษาสิงอาสาได้เฝ้าระวังสถานการณ์และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สบภัยที่จังหวัดสกลนครจังหวัดอุบลราช สธานีร่วมกับบริษัทมหาสารคามเบลเรตจำกัดที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับทีมกู้ภัยอโศกสมาคมแสงธรรมรัฐการกุศลที่จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับบริษัทสิงสหพัฒนะครับและชมรมพัตการร้านอาหารที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดยโสธรที่จังหวัดยะโสธร น, นะครับโดยนายพุทธิพงสุริธรรมนาหรือว่าน้องฟิวอายุ19ปีนักศึกษาชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฒนพระนครศรี สยากล่าวนะครับว่ารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยนะครับโดยน้องฟิลเองนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆและนําไปแจกใจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับโดยดกิจกรรมในวันนี้น้องรู้สึกประทับใจมากที่เห็นทุกคนมีความสามัคคีนะครับร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยและขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆกับปัญหาที่มาเยือนในครั้งนี้นะครับอีกคนนึงครับคือน้องนัทาชัยสุขเองหรือว่าน้องเพิ่มเพื่อนนะครับอายุ20ปีนักศึกษาชั้นปีที่2จากคณะบริหารธุรก กิจเศาสต ร, ร์และการสื่อสารมห ah าวิทยาลัยนเรศวรกล่าวนะครับว่าขอบคุณสิ่งอาสาที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้มีกิจกรรมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและขอบคุณทุภกภาคส่วนที่ได้ส่งทั้งแรงกายและแรงใจถึงผู้ประสบภัยนะครับโดยตัวน้องเองคิดว่าการที่ได้มาเป็นผู้ให้ นะฮะสิ่งที่ได้รับกลับคืนมารวนยิ่งใหญ่กว่าที่ให้ไปเสมอนะครับสิ่งนั้นไม่ได้หมายถึงเงินทองหรือว่าทรัพย์มีค่าอะไรนะครับแต่มันคือรอยยิ้มความสามาคัคคีและมิตรภาพดีๆที่ทุกคนมีให้กัน ก่อให้เกิดเป็นความสุขที่ส่งมอบให้กันนะครับด้วยปติเองนะครับน้องเพิ่มเพื่อนจะทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัยด้วยการไปออกค่ายต่างๆอย่างเช่นชมรมอาสาพัฒนาชมรมอนุ ร, รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชมรมพัฒนาชนบทนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่น้องเพิ่มเพื่อนเองได้มีโอกาสลงพื้นที่บริจาคของให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้าท่วมได้เห็นรอยยิ้มความสามัคคีและมิตรภาพดีๆของทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนรักษากายและใจให้แข็งแรงนะครับ วิกฤตผ่านเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับนี่คือคำกล่าวของน้องนัทชัยสุขเอมหรือว่าน้องเพิ่มเพื่อนนะครับอีกหนึ่งคนครับ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับนั่นก็คือน้องใบเฟิร์นหรือว่านางสาววิมลศิริกุฎเนียมนะครับอายุที่11ปีนักศึกษาชั้นปีที่3คณะศิลปศาสตร์นะครับโดยน้องบอกนะครับว่าน้องเองได้มีโอกาสเข้าไปแจกข้าวสารและเครื่องดื่มตามบ้านเรือนผู้ปรสภัยน้ําท่วมและช่วยคุณตาคุณยายถือน้ําดื่มและข้าวสารไปส่งตามบ้านเรือนนะครับรู้สึกประทับใจถึงความสามัคคีในครอบครัวของสิงอาสาที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและไม่ทอดทิ้งปัญหา ความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับและพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้สบภัยทุกสถานการณ์เพราะน้องเองก็เข้าร่วมกิจกรรมของสิงอาสามาโดยตลอดนะครับทั้งกิจกรรมที่ไปช่วยแจกน้ําดื่มที่จังหวัดอุทยาทําสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนท่าสีอาคารเรียนและเครื่องเล่นรวมถึงการทําแนวป้องกันไฟป่าในจังหวัดเชียงรายซึ่งน้องก็ร่วมกิจกรรมหลากหลายมากกับสิงอาสานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอาสาหนึ่งกลุ่มคนอาสาที่ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้สบภัยเกี่ยว กับน้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยต้องขอบคุณแทนทุกๆคนนะครับสำหรับการมีจิตอาสาของทุกๆคนที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนี้ด้วยจากบุญรอดเบอร์รี่ครับคุณฝั่งครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคนอาสาครับวันนี้คนอาสาผมมีเรื่องราวของคู่รักจิตอาสาที่ต่อชีวิตคนยากไร้ด้วยการแต่งหน้าศพส่งคนตายกลับบ้านฝีนะครับเรื่องราวหมดนี้เตรียมไว้ในช่วงหน้ากับช่วงคนอาสากันครับ ศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMU TT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม 02-592-1933 ครกลับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงคนอาสาครับคนอาสาวันนี้มีเรื่องราวของคู่รักจิตอาสาต่อชีวิตคนยากไร้ในการแต่งหน้าศพส่งคนตายกลับบ้านฝีนะครับด้วยคุณกิฟนะฮะ ร, รวมถึงคุณก๊อฟด้วยนะครับในการช่วยคนเจ็บ นับว่าเป็นจิตอาสาคนหนึ่งนะครับที่มุ่งมั่นทำความดีร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการทำเรื่องราวดีๆนะฮะดยคู่รักที่ว่านี้นั่นก็คือคุณกอ๊อบจิระเดชสุพนามและคุณกิปลำพูลจันทรศิษิ์คู่รักชาวจังหวัดลบบุรีคือบุคคลตัวอย่างที่ออกมาทำความดีสานต่อและเพิ่มเติมด้วยการช่วยเหลือ ผู้ให้บริการรับส่งผู้เสียชีวิตกลับบ้านเพื่ อ, อทำวิธีกรรมทางศาสนาอย่างไม่ติดห่วงทุกฟีขณะทุกคนมีชีวิตก็ยังมีภารกิจมุ่งช่วยคนยากไร้ที่ยังต้องสู้สราชีวิตต่อลมหายใจด้วยดีตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสาทั้งคู่นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคุณฟังหรือคุณก๊อฟบอกนะครับว่าเริ่มจาก ความเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นเพราะบ้านอยู่ใกล้วัดวันวันหนึน่งเห็นสับเปลือกเปิดหน้าให้ญาติดูกันเป็นครั้งสุดท้ายแต่แขกจะต่างกันด้วยสีหน้าว่ารับได้หรือรับไม่ได้นะครับจริงๆแล้วน่าจะยิ้มให้กันแต่ คุณก๊อฟเองก็เข้าใจถึงสภาพของคนเสียชีวิตว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะทำตั้งแต่ตอนนั้นนะครับส่วนคุณกิฟบอกนะครับว่าที่มาทำเพราะคุณก๊อฟเลยนะครับเห็นในสิ่งที่คุณก๊อฟทำว่าเป็นความดีต่างๆส่วนตัวเป็นคนจิตใจดีเมตตาอยู่แล้ว ปลุกให้คุณกิฟเองเนี่ยลุกมาแต่งหน้าและเคลื่อนส่งผู้เสียชีวิตกับคุณก๊อฟไปด้วยนะครับดยการร่มเริ่มลงมือทําของจิตอาสาแต่งหน้าศพและบริการส่งศพนะครับด้วยเริ่มลงมือทําจิตอาสาแต่งหน้าศพและบริการศพ ะะตั้งแต่ปี2555นะครับในช่วงอายุ22ถึง23ปีและเป็นการต่อยอดมาจากการเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วงที่จบประยมศึกษาปีที่3นะครับระหว่างที่ออกจากโรงเรียนมาทำงานพี่ที่รู้จักเขาก็ชวนให้ลองเป็นอาสากู้ภัยนะครับวัที่ร่วมกระตัญยูจังหวัดนนทบุรีแรกๆนะครับเขาก็ทำเพราะความคิดว่าเท่แต่พอได้พ้นจากเด็กฝึกงานอาสาก็ค่อยๆซึมซับนะฮะ เช้าก็เลยทํางานไปด้วยเลิกงานก็มาเป็นอาสาเพราะทุกๆครั้งจะได้รับความรู้สึกดีๆเข้าขอบคุณจากผู้บาดเจ็บและญาติทําให้รู้สึกสดชื่นใจมากพอย้ายกลับมาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับตัวคุณก๊อฟเองก็คิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างที่มากกว่านั้นเพื่อช่วยเหลือเนื่องจากเขาได้ยินครอบครัวผู้เสียชีวิตพูดว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนมารับศพจังหวะนั้นก็ได้เห็นข่าวพี่จิกนวรัต ยุตานันก็วาดโครงการนี้ขึ้นมาเลยนะครับส่วนคุณกิฟบอกว่าช่วงคบกับคุณก๊อฟ ป, ปีที่สองก็เริ่มทำนะครับแรกๆก็กลัวมากแต่ก็เหมือนกับคุณก๊อฟพูดคำขอบคุณทุกครั้งให้รู้สึกชื่นใจและมีกำลังใจในการทำความดีโดยทุนที่นำมาช่วยเหลือกิจกรรมนี้นะครับคุณก๊อฟเริ่มบอกว่าเริ่มจากทุนส่วนตัวก่อนนะครับดอนแรกเนี่ยใช้เงิน ช่วยเหลือเพราะมีแต่คนในจังหวัดลบบุรีก็อาศัยเงินจากการขายข้าวตามสั่งเดือับประมาณ1 0 0 0 0 5 0 0 0ถึง 15, บาทแบ่งเป็นค่าโรง 1,000-2,000 ถึง 2, บาทนะครับค่าน้ามันรถ 2,000 บาทพอดีกับค่าเคส 2-3 ถึงสศพต่อเดือนของในจังหวัด รบบุรีนะครับพอเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นก็มีเคสมากขึ้นมีพี่ๆน้องๆกู้ภัยมาช่วยเมื่อแจ้งเคสที่ญาติไม่มีเงินยากไรลและก็บ่อยครั้งนะครับที่ญาติของผู้เสียชีวิตจะร่วมกันทําบุญใส่ซองมาให้ตอนเสร็จตอนส่งศพและแต่งหน้าเสร็จนะครับด้วยเงินส่วนนี้ก็จะไปสมทบเพื่อนําไปช่วยเหลื อ, อผู้เสียชีวิตคนต่อไปแต่ทางเขาเองก็จะไม่ได้รับเงินทุกรายนะครับบางรายที่มีฐานะยากจนก็จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้นะครับด้วยเขาบอกว่าไม่ขอรับ นะครับขอเงินนั้นทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตจากนั้นก็มีการเปิดเพจ f a c e b o o นะครับแต่งหน้าศพและเคลื่อนที่เร็วช่วยชีวิตเมื่อราว 1-2 ปีที่แล้วนะครับด้วยการเปิดรับบริจาคนั้นมีขั้นตอนอย่างไรนะครับคุณฟังคุณก๊อฟบอกนะครับว่าหลังได้รับแจ้งเคสช่วยเหลือก็จะโพสต์แจ้งลูกเพจว่าใครอยากจะทำบุญก็สามารถโอนเข้ามาสนับสนุนได้พอโอนเราก็จะระบุว่าใครบริจาคเท่าไหร่ บางคนก็ร่วมอนุมทนาบุญเป็นค่านา้มันรถบ้างเป็นค่าอื่นๆบ้างนะครับโดยประชาชนท่านใดนะครับที่มีการติดขัดเรื่องของค่าใช้จ่ายและอยากต้องการให้ทางคุณกอบคุณกิฟช่วยเหลือนะครับก็ ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0937467003นะครับคุณก๊อฟจิระเดชสุพานามยินดีรับใช้ทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ฟังรวมถึงใครอยากสนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับกับคนอาสาดีๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เหมือนกันนะครับ0937467003คุณจอบ คุณก๊อฟจิระเดชสุพานามนะครับหรือว่าติดตามในเพจแต่งหน้าศพหรือว่าเคลื่อนที่เร็วช่วยชีวิต2เพจนี้ไปติดตามกันได้ก็จะมีเรื่องราวที่คุณก๊อฟนำมาขอรับความช่วยเหลือต่างๆนะครับใครสนใจช่วยเหลือก็สามารถไปติดตามเพจนี้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับและนี่คือเรื่องราวของคนอาสาในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวกันของภารกิจจิตอาสาครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี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 คุณผู้ฟังครับกลับมากับช่วงนี้ครับช่วงสุดท้ายของรายการกับภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาสามีเรื่องราวของการรับบริจาคอวัยวะนะครับสารต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์นะครับโดยบริจาคอวัยวะนะฮะนั่นคือการบริจาคอวัยวะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อนําไปใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับการรักษาให้หายได้นะครับโดยอวัยวะต่างๆที่บริจาคได้นะครับก็คือไตตับ รวมถึงหัวใจนะครับโดยผู้ที่สามารถบริจาคอาวัยวะได้ก็คือผู้ที่มีอายุไม่เกิน60ปีเสียชีวิตจากสมองตายเท่านั้นนะครับด้วยเหตุต่างๆปาสจากโรคติดเชื้อโรคมะเร็งและโรคติดต่อนะครับด้วยสามารถแสดงความจำนงในการบริจาคอาวัยวะได้ที่ศูนย์รับบริจาคอาวัยวะสภากาชาติไทยเหล่ากาชาติในจังหวัดทุกแห่งเลยนะครับรวมถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 16-66 ด้วยสามารถบริจาคอวัยวะให้กับ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับเพราะว่ายังมีผู้ป่วยอีกมากมายครับคุณผู้ฟังที่ทุกทรมานจากการที่อวัยวะสําคัญไม่สามารถทํางานได้ตามปกติวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยเหล่านี้นั่นก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่แทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพด้วยอวัยวะของผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคอวัยวะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีอื่นๆเพื่อช่วยให้ พวกเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากในช่วงของภารกิจจิตอาสาในวันนี้กับการบริจาคอวัยวะเพื่อสานต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์นะครับคุณผู้ฟังสามารถไปแสดงความจำนุ น, นะฮะในการบริจาคอวัยวะได้ที่สภาการชาัดไทยรวมถึงโรงพยาบาลจงังหวัดทุกแห่งนะครับหรือว่ายง่ายๆโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์1น6 6งนะครับสามารถติดต่อบริจาคอวัยวะได้เลยนะครับ คุณผู้ฟังครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการสุขอาสาในวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการสุขอาสาแล้วนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันศุกร์กับรายการสุขอาสาเรื่องราวข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับงานอาสาคนอาส า, ารวมถึงภารกิจจิตอาสาที่เราจะนํามาบอกต่อ น, นํามาแชร์นะฮะนํำมาบอกบุญในรายการแห่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายกันไปนะครับสวัสดีครับ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 ที่รินเมื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำ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 ที่ริมเนือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข